คณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์ท่านรครูสันธรักษ์เอกพัฒน์อภิชันโทรพร้อมทั้งผู้บริหารผณ้อ า, ารย์ฝ่ายบัณชิตจนาที่รัตนิสิตฝ่ายบัณชิตทุกครูขอเจริญพรท่านผู้บริหาร ทานาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะฝ่ายคฤหัสน์ทุกท่านขออนุโมทนาที่ทางคณะได้จัด ก, กิจกรรมครบ25ปีของอวิชาภาษาไทยที่ดำเนินการมาเมื่อถึงวาระสำคัญเช่นนี้ก็เป็นโอกาส ที่จะได้เหลียวหลังแหลหน้าว่าเลี้ยวหลังไปดูว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรและมองไปข้างหน้าเพื่อทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองอย่างเดียวในโอกาสนี้ก็ขอมีส่วนในการ เหลียวหลังแหล่หน้าและหาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพวกเราชาวมหาจุฬาในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาไทยเนื่องจากมหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาสอนทั้งพระและครหษัณ ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาในการเผยแผ่ธรรมะจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่จะพูดจะเขียนหรือจะเป็นภาพซึ่งเราทำทุกประเภทเรามีนักพูดนักบรรยายนักปาสกานักเทศ เรามีนักเขียนนักประพันธ์นักวิจัยเรามีนักจิตกรรมหรือจิตกรพุทธสินมีปฏิมากรปฏิมากรรมในภาควิชาหรือวิชาเอกในบางวิทยาเขต ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการประกาศธรรมะการเผยแผ่ธรรมะและถ้าเราทำอย่างจริงจังอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้คุณภาพของการจัดการศึกษาในด้านภาษาไทยประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ภาษาเป็นเพียงสื่อแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสื่ออะไรภาษาช่วยให้สื่ออย่างไรแต่ตัวสิ่งที่เราสื่อที่ว่าอะไรนั้นก็จะต้องมีมีคุณค่าด้วยฉะนั้น เราไม่สามารถจะเรียนภาษาเพียงแค่เป็นสื่อเท่านั้นแต่มันจะต้องเป็นสื่อสารคือสารสาระของการสื่อจึงจะทำให้มีอนุศาสนีปาติหารคือสอนได้อัศจรรย์ ลำพังเรียนภาษาไทยไม่อัศจรรย์ลำพังเรียนภาษาอังกฤษไม่อัศจรรย์แต่ถ้าสื่อธรรมะด้วยภาษาอังกฤษให้ชาวโลกเข้าใจอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์สอนธรรมะด้วยภาษาไทยร่วมสมัยให้คนเข้าใจง่าย อัศจรจะในรูปแบบร้อยแก้วร้อยกรองก็ได้ฉะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาไทยเพียงเก่งเรื่องภาษาอย่างเดียวยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์แห่งความเป็นอัตลักษณ์มหาจุฬา เราจะต้องสามารถสื่อธรรมะให้เข้าใจง่ายและเกิดอารมณ์อันสนตรีเกิดศรัทธาด้วยภาษาไทยดังที่โบราณบรรโบราณอาจารย์ท่านได้เผยแผ่ธรรมะผ่านวรรณกรรมเป็นแบบอย่างเรามาศึกษาวิธีการของท่านเหล่านั้น ว่าท่านทาอย่างไรมันจึงเกิดปาฏิหารเป็นอนุษาสนีปาฏิหารมีฤทธิ์มีเดชเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทำให้คนอยู่ในศีลในธรรมมาแต่โบราณกาลจนมาอยู่สู่ยุคสมัย ภาษาสมัยใหม่ที่มาแย่งพืนีชแย่งชิงพื้นที่เรียกวณวรรณกรรมร่วมสมัยผ่านภาษาคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิธีคิดที่เราจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ literacy ในการสร้างอนุสาสนีปาฏิหารแก่เยาวชนเหมือนกับคนรุ่นเก่าท่านทำไว้ด้วยนวัตกรรมในสมัยของท่านเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้คือความท้าทายมองไปข้างหน้าคือยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ แค่ยุคดิจิตอลล่ะยุคดิจิตอลนี่มันมันส่งต่อไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สโลกตะวันตกเขาไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สโดยอาศัยข้อมูลข่าวสารผ่านดิจิตอลเราแหละ แต่ว่าความเร็วมันมากขึ้นใช้โรบอทเครื่องอคอมพิวเตอร์คุมหุ่นยนต์แล้วก็พูดโดยผ่านเครื่องแปลสัญญาณก็ได้อย่างสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ย นักฟิสิกชั้นนำของโลกที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเป็นโรคระบบประสาทล้มเหลวพูดไม่ได้แต่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พูดออกเป็นเสียงเลคเชอร์ได้อันนี้ก็โรบอตต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะชินกับเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่องโรบอทเรื่องผุ่นยนต์เรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแล้วภาษาไทยของเราจะอยู่ตรงไหนถ้าคนนิยมพูดกัน ส, สั้นแล้วไม่มีอลังการของภาษาเหมือนกับสมัยก่อนแล้วเราก็ไปบอกว่ามันภาษาอะไรนะภาษาวิบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันจะคุยกันยังไง ประเด็นมันมันคงจะอยู่ตรงที่ใช้ภาษาในยุคสมัยนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนอะไรด้วยสอนธรรมะสอนอยังไงทีนี้นั่นคือสิ่งที่เราจะมองไปข้างหน้าแต่ว่าจะไปข้างหน้าเรามองกลับย้อนหลังดูว่าในสมัยโบราณท่านทำย่างไร แล้วเอาอัฐิเอาสาระเนี่ยมาใช้ในสมัยนี้ได้ไหมเรามาดูกันเรื่องนั้นทีนี้เมื่อมาดูกันเรื่องนี้เนี่ยทําความเข้าใจในเบื้องต้นกันว่าเราพูดถึงการเผยแพร่ไม่ใช่การเผยแพร่บางคนเขาเรียกเผยแพร่ศาสนาก็ไม่ถูก ในปี2484มีพรบคณะสงฆ์แบ่งงานทางคณะสงฆ์ออกเป็น4องค์การองค์การปกครององค์การศึกษาองค์การเผยแพร่องค์การสาธารณูปการท่านใช้เผยแพร่ถูกต้องแล้วคนรุ่นใหม่ไปแก้เป็นองค์การเผยแพร่ ไม่ถูกตามพจนานุกรมฉบับราชบั บ, บิติยาสถานเผ ย, ยแผ่หมายถึงทำให้ขยายออกไปเช่นเผ ย, ยแผ่พระศาสนาคำว่าขยายออกหมายถึงมันยิ่งใหญ่ขยายก็คือออกไปจากความยิ่งใหญ่เนี่ยอย่างเช่นแผ่กฤษดาพินิหารของพระเจ้าจักรพรร์ ท่านยิ่งใหญ่อยู่แล้วพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยจะไปยึดเกาะไปยึดประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆเนี่ยนะมันก็คือแผ่แผ่อนานาจขยายสยายปีกเนอะนี่คือเผยแผ่เราคิดว่าภูษนาของเรายิ่งใหญ่อยู่แล้วเราไปเผยแผ่ให้ชาวเขาหรือไปเผยแผ่ที่อเมริกาเนี่ยมันก็ไปในวัดเล็กๆจุดเล็กๆ ออกทีวีออกวิทยุมันก็คือเผยแผ่แต่ถ้าเผยแพร่เนี่ยให้แพร่หลายหมายความว่ามันเล็กแล้วมันกระจายให้มันแพร่แพร่กระจายกระจายขยายออกไปมากขึ้นคือแตกตัวเราใช้ในทางลบก็มีเช่นแพร่เชื้อโรค โรคติดต่อนี่เป็นอยู่คนเดียวเลยนะมันมาแพร่เชื้อในห้องแอร์เลยนะเป็นกันทั้งห้องเลยนะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เล็กๆนะเป็นศาสนาประจำชาติไทยเลยใหญ่กว่าศาสนาอื่นอีกเพราะฉะนั้นเราไปสอนให้คนที่ยังไม่รู้ในประเทศเราเนี่ยเราเผยแผ่ศาสนา ทีนี้การเผยแผ่เนี่ยเราใช้ภาษาไทยกับการเผยแผ่ใช้ภาษาในการเผยแผ่กับภาษาไทยในการเผยแผ่มันอาจจะมีปัญหาเหมือนกันก็คือเผยแผ่ธรรมะหรือประกาศธรรมะเนี่ยวิวรติวิพชัชติอุตตานีกรุติเนี่ย แจกแจงทำให้ง่ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะธรรมะเป็นนามธรรมเราจะพูดธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยให้คนที่ไม่รู้ธรรมะเข้าใจเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนายเซนเนี่ยไฟมหายานเขาบอกว่ามันเหมือนกับเอานิ้วชี้ไปที่พระจักรให้คนดูพระจักร แต่กลายเป็นว่าคนไม่ดูพระจันทร์มาติดที่นิ้วมาดูนิ้วแทนสัจธรรมหรือธรรมะคือพระจันทร์แต่คนไปติดที่นิ้วคือภาษาทุกวันนี้เนี่ยที่เราเข้าไม่ถึงสัจธรรมเนี่ยเพราะมัวแต่ไปติดอยู่ที่ภาษาเช่น พูดไม่รู้เรื่องง่ายที่สุดไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านเขียนอะไรทำไมพระเทศแล้วถึงฟังไม่รู้เรื่องฟังสวดก็ไม่รู้เรื่องได้บุญคนไทยบอกว่าทายังไงท่านให้เขารู้เรื่อง ทุกวันนี้เรามีพิธีกรรมทางศาสนามากมายทั้งทั้งวันเลยนะนี่ก็ไปสวดมนต์ชั้นเพลงมานี่แต่เขาไม่พอใจแค่ให้สวดเขาบอกบรรยายทำอีกเพราะภาษาที่สวดมันก็เป็นนิ้วที่ทำให้ยังไม่ถึงพระจันท์ก็จะต้องกล่าวคำกระถาบรรยายทำ ฉลองศรัทธาอนุโมทนาอะไรก็แล้วแต่ให้เบิกบานใจให้ตรงที่เราพูดเราบรรยายนี่แหละก็คือพยายามส่งชี้ให้เลยนิ้วขึ้นไปถึงพระจักรแต่ถ้ามาติดอยู่ที่นิ้วคือมาฟังนี่มันอะไรภาษาแม้กระทั่งสับแสงที่ใช้พรุงพรังแล้วไม่ขยายความ มันก็เท่ากับมาเถียงกันเรื่องนิ้วไม่เถียงกันเรื่องพระจันหน้าที่ของภาษาไทยก็คือทำอย่างไรที่จะให้ไปเกินนิ้วให้เข้าถึงสัจธรรมกระชับวรวดเร็วไม่ต้องกินเวลามากเพราะ สมัยนี้ไม่ต้องการยืดเยอะใครเคยอ่านนิยายกำลังภายในไวมละ่ะบางสำนวนเนี่ยเขาสั้นกระชับบางสำนวนเขายืดเยอะวรรณกรรมก็เหมือนกันยาขอบนี่เนาะโอ้ล่ายยาวไปเลยใช่ไหม ไม่ว่าจะผู้ชนะสิบทิศไม่ว่าสามก๊กฉบับวันิพกสมัยก่อนนี่อาจจะชอบนะสมัยนี้มันจะมีสามก๊กอีกแบบหนึ่งนะฉบับผู้บริหารแล้วก็วันมินิตเม a นเจอหนึ่งนาทีผู้บริหารใช้เวลาหนึ่งนาทีอ่านทำยังไง มีไม่เทศฉบับนึ่งนาทีกับเทศแบบร่ายยาวอะ่ะตั้งนโมกันะ่ะจนเปลี่ยนช่องนะท่านปัญหามันอยู่ที่ทำอย่างไรให้ไปเกินรูปแบบเกินภาษาให้ไปถึงธรรมะให้ได้แล้วไม่ต้องมาเถียงกันว่าอันนี้มันใช้ได้ไม่ได้ อยู่ที่เราจะต้องมีวิธีการในการแสดงธรรมการแสดงธรรมผู้ได้เจ้าท่านก็นทำเป็นแบบไว้แล้วประเภทที่อลังการภาษานะ่นะอลังการเนี่ยมีไวยพ์เยอะมากปัญญาคืออะไรนี่นะขายายคือว่าคือว่านิ่ อภิธรรมแค่จิตคำเดียวนี่มีไหวพดกี่อย่างพูดเรื่องจิตมีใจนะในอย่างในภาษาไทยมีจิตมีใจมีมโนมีวิญญาณตกลงอะไรมันคือจิตนี่แหละนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละอภิธรรมก็จะเป็นอย่างนี้เป็นชุดเลยเน่ะ แล้วมีวิเคราะห์อีกนะคือว่ามิคือคือว่าขยายเนี่ยเป็นธรรมาทิฐานแต่ถ้าเป็นบุคลาทิฐานเขาชี้ให้ดูเรื่องราวต่างๆไม่ต้องมาดูศัพท์วิเคราะหะ์โกรธเป็นยังไง โกรธคือโง่โมโหคือบ้าเาไขไปทีแต่ถ้าบอกว่าโกรธก็คือนี่ดูนี่ถึงยามโกรธโปรส่องมองกระจกนี่บุคลาธิฐานถึงยามโกรธโป ร, โปรส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตา ดักยักษ์สาลาสีไม่มีเลยนี่บุคลาธิฐานไม่ต้องบอกว่าโกรธนี่ประกอบด้วยจิตที่เป็นอูศลมีโทสะเป็นมูลมีอะไรก็ว่าไปนลยปฏิฆะโอ้ไม่ต้อง <c oughs> เวลาโกรธเป็นยังไงให้แม้กระทั่ง หลวงพ่อชาสอนฝรั่งเยอะแยะหมดอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพไปหาท่านหลวงพ่อสอนอภิธรรมหรือเปล่าอภิธรรมสอนไหมหลวงพ่อก็ถามว่าอภิธรรมเขาสอนอยังไงล่ะ จิตเจตสิกรูปนิพพานหลวงพ่อมีเจ็ดคัมภีสังวิทาปุกยปะหูยาวเลยหลวงพ่อสอนไหมสอนและหลวงพ่อใช้คัมภีไหนในเจ็ดคัมภีคัมภีนี้อะไรล่ะเจตใช่ไหมอยู่นี่ดูใจเราเจตสิกก็นี่แหละ รูปก็นี่นิพานก็นี่ดูของจริงไม่ไปติดภาษาเพราะฉะนั้นในฝ่ายนักปฏิบัติเนี่ยเขาจึงมีปัญหาเรื่องภาษาว่าถ้าใช้ภาษามากไปเนี่ยนะแล้วไม่ฉลาดในการใช้ภาษาเนี่ย มันจะทำให้คนหลงอยู่ในเขาวงกลดฉะนั้นใช้ภาษาเท่าที่จำเป็นและเอาของจริงมาพูดถ้าอย่างนั้นภาษามีไว้ทำอะไรภาษาไว้สื่อแล้วพยายามให้ซื่อตรง ต่อสัจธรรมความจริงภาษาไม่ใช่ใช้ไม่ใช่สัจธรรมภาษาเป็นนิ้วแต่ทำอย่างไรให้คนมองพระจันทร์ทีนี้เพื่อทำให้คนมองพระจันทร์เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคนเนี่ยเขาประเภทไหนบางคนอาจจะต้องการ นิ้วที่สวยงามภาษาที่อลังการบางคนอาจจะไม่ต้องเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมมันจึงมีทั้งแบบธรรมมาทิฐานมีบุคลาทิฏฐานแบบพระสูตรในสองแบบนี้เนี่ยยกตัวอย่างบุคลาทิฐาน ในเรื่องของพระนักขเขสนในมิรินท่าปัญหาอย่างนิพพานนิพพานคืออะไรพยายมิรินคือเมนเดอร์เม น, นเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์ชาวกรีกประมาณพศอสอี่ร้อยถามพระนักขเขสนทำไมเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานเนี่ยไม่พูดให้หมันชัด นิพพานคืออะไรนิพพานคือดับดับอะไรดับโลภโกรธหลงดับตัณหามันก็ยังโยงไปที่ตัณหาอีกแหละแล้วตัวนิพพานมันคืออะไรอายตนะนั้นมีอยู่ิกสุทั้งหลายดินก็ไม่ใช่น้าก็ไม่ใช่ลมก็ไม่ใช่ไฟก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ โลกไหนก็นไม่ใช่นั่นแหละคือนิพพานตรงลงไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคือนิพพานแล้วทำไมไม่บอกไอ้ที่ใช่คืออะไรละ่นะแล้วทำไมโอ้โ t h a า t h e บอกว่ามี น, นักเ s ีย d e n t s here. I should talk about Thai language in English. Is it possible? No. Better switch back to Thai language and later I will summarize into in English, or let Ajarn uh, linguistics to translate or summarize. Better, uh, because right now I'm speaking about Thai language. I, speak, I will stick to the Thai language. Ajarn p i c h a Salutai, no? โซอ่ะมันสับสนเะยครับคลื่นมันแทรก ด, ด, ดังนั้นเนีโซแปลว่าดังนั้นเนี่ยพระนาเคเสนก็เลยบอกว่าที่บอกว่าอะไรก็ใช่ไม่ใช่เนี่ยเพราะถึงบอกว่าใช่ก็ไม่รู้มันต้องอุปามาอุปไมว่าถ้าคนไม่เคยไปไม่เคยเห็นนิพพานเนี่ย อย่างไรก็ต้องเทียบเคียงเอาเทียบเคียงก็คือคำว่า น, นิพพานเป็นบรมสุขมันสุขแบบไหนน่ะสุขแบบกินข้าวอิ่มใช่ไหมไม่ใช่สุขแบบนอนหลับใช่ไหมสุขแบบได้สิ่งที่ปรารถนาใช่ไหมไม่ใช่แต่มันสุขก็แล้วกัน นึกเอาเทียบเอามันสุขมากมากได้แค่นี้แหละพระนาคเสนบอกเหมือนปลากระเ ต, า ม, ะเ า, ะเตามันอยู่ในทะเลด้วยกันปลากระเตามันอยู่ในทะเลด้วยกันคือเต่าทะเลปลาทะเลวันหนึ่งเต่ามันหายหน้าไปเจ็ดวันได้ไมั้งมันไปบนบกมันไปไข่ไปฟักอะไรของมันก็ไม่รู้กลับมา ปลาก็ถามว่าเต่าหายไปไหนมาไปบกบกรูปร่างหน้าตายไปยังไงมันมีอากาศเต่าบอกอากาศมันเป็นยังไงมันลงโลกโลกเหมือนในถ้ำนี่เหรอถ้ำในทะเลไม่ใช่มันโลกแล้วมีนกบินด้วยมันบินเหมือนไอปลา ฐานกระเบนนี่แหละแต่มันก็ไม่ใช่แบบนี้นะมันมีขนโอ้ยพูดไปอะไรก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้ไม่อย่างนี้ปลาก็เลยสรุปว่าไอ้เต่าโมไม่มีบกเพราะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่สักอย่างเต่าก็บอกว่ามันเกินประสบการณ์ของปลา จึงได้แต่พูดอุปมาให้ฟังสัตวรจะทบางอย่างมันเกินประสบการณ์ของมนุษย์ทำภาษาธรรมอ่ะที่เป็นปรมัติ่เราจะบรรยายด้วยภาษาใดมันก็มันไม่ถึงใจมันจึงใช้ภาษาเนี่ยเทียบเคียงประสบการณ์ของมนุษย์เราเรียกว่าเอาภาษาคน เอาภาษาคนที่มนุษย์พูดกันเนี่ยมาใช้เป็นภาษาธรรมะสื่อธรรมะอีกทีหนึ่งแต่อยากเข้าใจว่าภาษาธรรมะนั้นมันสื่ออันเดียวกันกับมันสื่อเรื่องเดียวกับภาษาคนเช่นคำว่านิพานเป็นบรมสุขสุขตัวนี้เป็นภาษาคนก็ได้คือสามมิตรสุขสุขอิงเหยือ่อ แต่มันหมายถึงนิรามิส ส, สุขสุขในฌานสมาบัติสุขคือนิพพานก็ได้ที่ต่างเอาว่ามันสุขก็แล้วกันฉะนั้นไอ้ตรงคำว่าสุขเนี่ยมันคือนิ้วภาษาส่งไปถึงประสบการณ์แห่งบรมสุขของผู้เข้าถึงนิพพาน คนไหนที่สามารถใช้ภาษาได้ได้มีสเสน่ห์ทำมาดึงดูดใจคนให้มองไปที่พระจันทร์คนนั้นประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นกวีก็ดีนักประพันธ์ก็ดีนักเขียนนักพูดก็ดีที่สามารถใช้ภาษาดึงโน้มน้าวจิตใจของคน ให้พุ่งตรงไปยังสัตธรจะทได้หรือความธรรมะได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จและภาษาอย่างเดียวมันก็ไม่พอภาษามันมีทั้งวัจนะภาษาที่เป็นคำพูดเอาวัจนะภาษาที่มันไม่เป็นคำพูดแต่มันเป็นภาพเพราะบางเรื่อง พูดมันยิ่งทําให้สับสนก็เลยไม่พูดใช้ภาพแทนหรือภาษาใบแทนอย่างอาจารย์เซนเนี่ยสอนที่ไหนก็ยกแค่นิ้วอย่างเดียวไม่พูด ที่นี่เดี๋ยวนี้ Here a อน now คือสติแต่พอพูดสติปุ๊บมันไปคิดถึงภาษามันไม่อยู่กับปัจจุบันมันตกปัจจุบันใครเข้าถึงซาโตริบรลุเอวังเลยแค่นี้พอขึ้นเวทีก็ไปเลย งามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดไปแล้วมันเป็นอวัจนภาษาแล้วยังรวมไปถึงสิ่งที่เป็นภาพภาพวาดจิตกรรมรวมไปถึงปฏิมากรรมปั้นสลักเพราะฉะนั้นความสำเร็จของการเผยแผย่าศาสนาในอดีตเนี่ย เริ่มจากวรรณกรรมก็จริงแต่มันไปถึงจิตกรรมไปถึงปฏิมากรรมอื่นๆซื่ออื่นๆด้วยเราไม่ได้เผยแผ่ด้วยตัวหนังสืออย่างเดียวทั้งเสียงทั้งภาพจะเห็นได้ว่าตอนที่นั่งบรรยายอยู่นี่ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะขึ้นจออีกนะ มันเป็นตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นภาพด้วยเราเรียนแบบบูรพาจารย์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเราสามารถทำแบบเดียวกันกับเด็กรุ่นใหม่โดยย้ายภาพจิตกรรมฝาผนังมาอยู่ตรงนี้ส่งไปให้ถึงผู้บริโภค ผลิตให้ทันกันแล้วกันเพราะฉะนั้นอาวาจนาภาษาอย่างเงี้ยถ้าเราขับรถไปไปเห็นภาพอย่างเนี้ยเราก็ต้องชะลอแล้วใช่ไหมมันหมายถึงอะไรอย่างนี้ถนนมันลื่นเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำ อ้าว t ท่าอ้าววันอ้าวภาพเดภาพมันคพูมเท่ า, ามีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพคำวรรณกรรมสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้อิทธิพลของท่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวหนังสือเนี่ยแต่ว่ามันไปออกไปเป็นภาพไปเป็นเสียงไปเป็นวิถีชีวิต มากมายเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันจึงมีหลายรูปแบบละมีภาษาไทยได้แหละหลายแบบที่อยากจะพูดวันนี้คือตรงนี้และผู้ที่ใช้ภาษาได้ครบทุกรูปแบบเนี่ยก็คือผู้มีปฏิสัมพิธาแตกฉานหนึ่งถ้าจะต้องแตกฉานในอัดคือ เนื้อหาสาระของเรื่องที่ท่านจะพูดแตกฉันในธรรมคือหัวข้อเรื่องที่ท่านจะพูดมาติกาเนี่ยหัวข้อแล้วอธิบายขยายความได้ด้วยภาษาภาษาที่ว่าเนี่ยทั้งวัจนะภาษาอาวัจนะภาษาทุกรูปแบบมันจึงปรับโยกย้ายตามท้องถิ่น ไปภาคเหนือมันก็จะมีอักษรธรรมล้านนาใช่ไหมศิลปะภาษาที่น่นก็ไปอีกแบบหนึ่งภาคอีสานก็อีกแบบหนึ่งเรื่องเล่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งนิทานตำนานอีกแบบหนึ่งการที่ท่านปรับโยกย้ายถ่ายเทเนี่ยเป็นปฏิผันเมื่อสักครู่เนี่ยไปบรรยายให้บริษัทเอ่อ เกี่ยวกับยาเนี่ยนะยารักษาโรคตอนแรกว่าจะพูดเรื่องนี้แต่พอไปถึงแล้วกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่แผนกขายขายยาไม่ใช่ผลิตยาเปลี่ยนเรื่องทันทีเลยก่อนจะขึ้นเนี่ยพอเขาบอกว่าเป็นฝ่ายขายเนื้อหากลายเป็นขายธรรมะนี่แหละ ไม่ใช่ฝ่ายผลิตโอ้ยฟังก็ดีเหลือเกินแต่ถ้าเราไปพูดถึงฝ่ายผลิตมันก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งมันจะไม่เข้ากับเรื่องนะเห็นไหมนี่คือปฏิพานนะท่านแล้วก็บอกโอ้โเทสดีเหลือเกินเกือบไปแล้วถ้านไม่รู้ว่าเขาเป็นฝ่ายไหนเลยเห็นไหมสิ่งเหล่านี้คือปฏิพานปรับโยก ย, ย้ายตามสถานการณ์ยุคสมัย เราไม่อยู่ในยุคดิจิตอลเนี่ย 4.0 เนี่ยเราจะเอาธรรมะในสมัยโบราณมาเผยแพร่ด้วยภาษาไทยร่วมสมัยอย่างไรมันเป็นปฏิพานปฏิพานปฏิสัมพิธาเราสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ภาษาลายได้ภาษาอะไรก็ได้เนี่ยเป็นนิรุตติปฏิสัมพิธาทั้งวั จ, จะนะภาษาอาวั จ, จะนะภาษา แต่ท่านจะต้องมีสาระในการเผยแพร่คืออัฏฐปฏิสัมพิธาธรรมะปฏิสัทธแตกฉานในหัวข้อทมแตกฉขนในธรรมะในเนื้อหาตีความอัถะให้มันเข้ากับยุคสมัยตีความเรื่องศีลห้าข้อที่สองอธินาทานให้เข้ากับคอร์รัปชันอย่างที่ได้แต่งเรื่องอะไรสุจริตธรรมะถาเนี่ย ที่แต่งให้ปปชเนี่ยเทศวันเดียวเนี่ยคนฟังสี่ล้านคนทั่วประเทศฟังเทศกันนั้นเนี่ยปปชทำรายงานมานี่กรมที่ดินก็จะเอาอและจะมาอีกแหละโอ้โหหาคนอื่นเทศบ้างเลยมันหมดพุงแล้วให้คนอื่นแต่เขาก็ไม่ยอมก็จะให้แต่งไงถ้าอย่างนั้น เราม อ, มองทุกอย่างเนี่ยเป็นสื่อในการสอนธรรมะได้หมดศัพ์บโบราณศัพว์สมัยใหม่อะไรต่างเนี่ยสอนธรรมะได้หมดเหมือนภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อเหมือนนิ้วที่ชี้พระจันทร์มองอีกแก่หนึ่งภาษาเหมือนอาวุธที่ไปจี้จุดใจดำคือกิเลส ข, ของคน เราต้องไปเผากิเลสจี้เอาเหมือนกับฝังเข็มใช่ไหมมันต้องมีเข็มฝังไปเลยคนจีนนี่นะแล้วมันก็โรคมันหายภาษานี่เหมือนเข็มอะจี้ยังไงหรือเหมือนอาวุธเอาไปกําจัดกิเลสของคนพูดอย่างไรให้กิเลสมันหยุดมันกําลังวิ่งมาเลยเงื้อดาบจะฝังเรา พระหยุดหยุดให้ฟันหน่อยอาตอมาหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดองค์กริมาณหยุดเลยอะที่ว่าปากคนเนี่ยนะมันปากกามันคมกว่าคมดาบอะภาษาเนี่ยถึงบางพูดพูดดีเป็น เ, เ, เป็นสีสันมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิต แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจากเรื่องคำพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำพูดเนี่ยอ้มันหยุดโลกทำยังไงเราต้องสรรหาถ้อยคำเนี่ยนะด้วยปฏิพานเนี่ย ให้มันเหมาะเจาะกับสถานการณ์พระพุทธเจ้าพูดว่าเราหยุดแล้วท่านจะยังไม่หยุดเนี่ยคำพูดมีเป็นล้านคำแต่ในสถานการณ์ทางนั้นเนี่ยทำไมใช้คำนี้ในบทกวีบทดึงเนี่ยหรือไฮกูของญี่ปุ่นเน้สนสั้นๆเนี่ยคำพูดเป็นล้านคำแต่ตรงนี้ต้องคำนี้ใช้คำอื่นมันจะเสียความทันที ทำไมเป็นอย่างนั้นโลกนี้มิอยู่ด้วยมะณีเดียวนาทรายและสิ่งอื่นมีส่วนสร้างปงูนธาตุตำกลางดีดุ ล, ลยภาพผ้าจักรพานมิร้านเพราะน้ำแรงไหนของอังคานกาับไวยาทง คำแต่ละคำเนี่ยมันตันออกมาเนี่ยทำไมต้องคํานี้อัตตาหิอัตโนนาโถะทำไมต้องแค่นี้มันเจรไนามาแล้วคนที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยสามารถยิบเอาถ้อยคําเอาภาษามาเรียงร้อยได้ตามใจเขาเรียกม a สเตอร์ออฟเดอะ u ลงว เป็นนายของภาษาสัจธรรมเดียวกันเนี่ยสามารถจะพูดได้หลายมิติหลายมุมมองมองในมุมนี้ก็พูดได้ในมุมนี้ก็พูดได้พูดกับด็อกเตอร์ก็ได้พูดกับชาวบ้านก็ได้พูดกับตาสีตาสาก็ได้พูดกับเด็กก็ได้ภาษามันมีทุกหลายแบบเขาเรียกว่าเซ็ตของมันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเจงสอนธรรมะได้เรื่องเดียวกันได้แหละ 45ปีอริยสัจสีเนี่ยพระเจ้าตรัสกับอนุราทาว่าอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเราสอนอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์สอนพระมหากาตรสอนอย่างหนึ่งสอนเด็กสอนชาวนาสอนอย่างหนึ่งปฏิภาณอัฏ ธ, ธรรมะทีนี้เราเรียนภาษาไทยเนี่ยคือต้องสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการ เก็บเอาภาษาถ้อยคำสำนวนทุกอย่างร้อยแก้วร้อยกรองเนี่ยเอามาใช้ได้ตามใจมือด้วยปฏิพานที่ว่าเนี่ยว่าสถานการณ์นี้จะพูดยังไงสถานการณ์นี้จะใช้ภาษาศั์ไหนเหมือนยอดฝีมือในนิยายกำลังภายในไปไหนโดยไม่ต้องพกกระบี่ไม่ต้องพกอาวุธ เพราะเมื่อเจอศัตรูนั้นอะไรก็เป็นอาวุธได้หมดใช้ตะเกียบเป็นอาวุธสั้นซัดใส่ศัตรูก็ได้ก้อนกรวดก็ได้หยิบกิ่งไม้มาแผ่ลงปลากลงกาลังภายในกลายเป็นปกระ บ, บี่ก็ได้วัจนะภาษาอวัจนะภาษาไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านใช้สอนธรรมะได้หมดเผยแผ่ธรรมะได้หมด และเราดูแบบอย่างของโบราณอาจารย์ที่ท่านเผยแผ่ธรรมะผ่านวรรณกรรมจากวรรณกรรมซึ่งเป็นวั จ, จนาภาษาเนี่ยมันแพร่หลายไปเป็นอวั จ, จนาภาษาอย่างไรและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างไรจนบัดนี้เเรามาดูกันก่อนอื่นมาเข้าใจคาว่าวัณกรรมในคา ว่ามันหมายถึงอะไรไปเปิดดิกชันนารีดูนะภาษาอังกฤษนะลิทเทเรเจอเนี่ยแปลทั้งวรรณกรรมก็ได้หรือวรรณกรรมก็คือลิทเทเรเจอแล้ววรรณกรรมหมายถึงอะไร mm hmm. หมายถึงงานหนังสืองานประพันธ์ทุกชนิดทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง mm hmm. ถ้าภาษากฎหมายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สิ่งเขียนจุลสารหนังสือมันหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยนะ ภาษาคอมพิวเตอร์มันก็เป็นวรรณกรรมนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันมีคอมพิวเตอร์ลิเทเรซี่มันเป็นวรรณกรรมอีกแบบคำว่าลิเทเลเจอร์ก็แปลว่าวันณคดีด้วยเพราะฉะนั้นคนมันถึงได้สับสนนิดหนึ่ง ลิเทเรเจอร e อิงลิทิเทเรเจอร์มันคือวรรณคดีอังกฤษแต่หมายถึงวรรณกรรมอังกฤษก็ได้วรรณกรรมคืองานเขียนทุกประเภทแต่ถ้าเขียนงานเขียนชั้นครูชั้นดีเราเรียกวัรณคดีก็อย่างที่พจนานุกรมเขาบอกว่าราชชินีสันบอกว่าเป็นวรรณกรรมอย่างหนึ่งนะวรรณคดีเนี่ยนะแต่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาดเช่น พระาชาใช้พิธี12บสองเดือนเป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงวรรณกรรมเนี่ยมันคืองานเขียนทั่วไปก็ได้งานเขียนที่เป็นวรรณคดีก็ได้ฉะนั้นวันนี้ที่เราพูด บ, บอกว่าเผยแผ่ธรรมะผ่านวรรณกรรมเนี่ยเอาระดับวรรณคดีก็แล้วกันที่เป็นต้นแบบเป็นครูอันหนึ่งก็คือไตรภูมิพ ร, ร่วง เวลาที่เราพูดถึงงานเผยแผ่ศาสนาเล่มแรกของประเทศไทยและเป็นภาษาไทยได้วยนะปกติเนี่ยวันนักธีหรือวันนกรรมเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ใจภูมิพร่วงมันมีวันนักธีภ า, าบาลีย่อยแย่หมดพระไตรปิฎกก็ถือเป็นวันนักธีและมาเผยแผ่ในประเทศไทย เวลาที่พระมหาสามีสังฆราชนำเอาพระพุทธนามาสอนที่สุโขทัยเนี่ยท่านเอาภาษาบาลีมามันเป็นวรรณคดีบาลีวรรณกรรมบาลีพระสิริมังคลาจารย์ก็มาแต่งมังคลทธีปณีพระรัตนปัญญาเถระก็แต่งเออก็แต่งทั้งคาถาการสลักอะไรต่างๆเยอะแยะหมด เพราะฉะนั้นปัญญาสะชาโดกอะไรแต่งในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่ล้านนาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแต่การเผยแผ่ธรรมะในประเทศไทยที่เป็นภาษาไทยเป็นวรรณกรรมไทยเล่มแรกคือไตรภูมิพระร่วงแล้วไตรภูมิพระร่วงเนี่ยคนที่เรียนภาษาไทยจะต้องอ่าน เพราะนี่คือเอกลักษณ์ของมหาจุฬารู้ว่าท่านสอนอ่านอะไรเป็นภาษาไทยเรี่มแรกแล้วมีอิทธิพลต่อปรัชญาไทยความคิดไทยอย่างไรอ่านให้ทะลุปุโปรงคนอื่นอ่านไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นภาษาโบราณ แต่เราเรียนในมหาจุฬาถ้าอ่านเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเราจะโดยจะเพเผยแผ่ธรรมะด้วยภาษาโบราณไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมีค่าตรงไหนไปดูประเทศจีนพระจีนเขาเรียนวิชาพุทธากันนะ่ะในเบจิงบูติสตแคนาเดียเขาเรียนอะไรเรียนภาษาจีนนั่นแหละแล้วคนจีนทั้งประเทศก็รู้ภาษาจีน เขาไม่ได้เรียนบาลีเขาไม่ได้เรียนสันสกฤตนะพระจีนนะ่ยมหายานเนะ่ยเขาเรียนภาษา เ, เขาเรียนธรรมะเป็นภาษาจีนแล้วท่านไม่สงสัยเหรอเรียนคนจีนเรียนพระธรรมะเป็นภาษาจีนมันจะอาัศาจรรย์ตรงไหนมันอัศาจรรย์ตรงที่เรียนภาษาจีนโบราณพระไตรปิฎกจีนนะ่ยมันจะรึกในสมังสมัยราชวงศ์ถัง พระถังสัมจัง๋งเป็นพันๆปีคนจีนสมัยใหม่อ่านไม่รู้เรื่องอักษรมันก็เปลี่ยนเหมือนเราสมัยนี้เจ็ดร้อยปีเนี่ยนะอ่านจารึกสุขโขทัยได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไต่ภูมิพระร่วงก็หลังจากนั้นหน่อยเองภาษาโบราณท่านอ่านรู้เรื่องไหม คนไทยอ่านไม่รู้เรื่องแต่เรียนภาษาไทยมหาจุฬาอ่านรู้เรื่องโอ้ยไหายเลยนะปิดทองเลยนะองค์นี้อย่าบราณภาพนะหายยากเห็นไหมท่านแต่ท่านจะอ่านรู้เรื่องท่านจะต้องรู้อะไรบ้างรู้บาลีสันสกฤตคนข้างนอกต่อให้รู้ภาษาโบราณก็อ่านไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ได้เป็นมหาไม่ได้รู้บาลีไม่รู้สันสกฤตอย่างพวกเราอันที่สองท่านก็ไปศึกษาภาษาทิหล้านนาภาษาของภาษาอะไรต่างๆเพิ่มเติมเพราะมันเป็นภาษาผสมปนเปยภาษาโบราณเราไม่ได้เรียนอย่างพวกโบราณนคดีไปอ่านจารึกเราเรียนธรรมะผ่านภาษาโบราณ แล้วมาอธิบายนะธรรมะสื่อให้คนเข้าใจด้วยภาษาสมัยใหม่ยกตยัวอย่างไตรภูมิพระร่วงเนี่ยท่านแต่งในปีพศ1864โอ้700ปีมาแล้วนะโดยพระมหาธรรมราชาลิไทย แต่งแบบไหนแบบงานวิจัยเหมือนเหมือน เ, ออเหมือนมังคลาสถีปนีอะไรอ้างอัถกถาดีกาพระใจพิดกเพียบเลยแต่มังคลาสถีปนีของพระสิริมังคราจาร์แต่งเป็นภาษาบาลีพระพมหาธรรมราชาลิไทยอ้างหมดเลยแต่แต่งเป็นภาษาไทยเร่มแรก ในสุขโขทยัยในประเทศไทยอันนี้คือน่าสนใจคําว่าจัตุราคมนี่นะบางคนตีความว่าเป็นมหาญาณเหมือนกับทีราคาคมมัธยมคมแต่ขอตีความตรงนี้ว่าเป็นนิกายนิกายทั้งสี่ยังไม่รวมพุตธกาลนิกายหรือจะไปบอกว่าเป็นมหายานก็ไม่รู้นะแล้วแต่ใครจะไปตีความเอาเป็นว่าศึกษาหมด มารวมเป็นไตรภูมิพลว่วงไตรภูมิวิกถาเป็นงานวิจัยดีๆแล้วเขียนโดยอ้างพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาอานุดีกาประกรณ์วิเศษสุดยอดเราอ่านตรงนี้เนี่ยถ้าแค่สืบหาว่าประโยคนี้มาจากคำพีเล่มไหนก็สนุกแล้วทาําเชิงอัดเนี่ยนะได้ด็อกเตอร์เลย เออแล้วอ่านแล้วท่านจะดูภาพจิตกรรมวาผนังรู้เรื่องนี่ใครเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างนี้นี่อธิบายได้เป็นฉับๆเพราะมันเป็นภาพไตรภูมิไม่มีวัดไหนที่เป็นไตรภูมิแล้วไม่มีภาพนี้แต่เด็กรุ่นหลังดูไม่รู้เรื่อง ในห้องนี้ดูรู้เรื่องได้กี่รูปกี่คนเพราะไม่อ่านใจภูมิจิตรกรสมัยโบราณอ่านใจภูมิแล้วก็มาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังไปตามโบสถ์วัดสวรณารามไปไหนเท่าไหนเนี่ยมันก็จะเรียนภาพใจภูมิไปที่ไหนถ้ามีเกี่ยวกับใจภูมิมันก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละ แล้วมันเป็นเสาๆนี่มันอะไรล่ะท่านเราจะต้องมองย้อนกลับไปว่าคนโบราณเนี่ยเขาแต่งไตรภูมิเท่านั้นยังไม่พอนะเป็นวัจนะภาษายังทำเป็นอวัจนะภาษาเป็นเพนติงเป็นจิตกรรมอีกเท่านั้นยังไม่พอยังทำอะเทศอีกนะเป็นเสียงแหล่อีกแล้วมันจะไม่เข้ากระดูกดำได้ยังไง เราแต่งเราทำวิจัยแบบมหาจุฬาเนี่ยนะเหมือนกับท่านพญาลิไทยเสร็จแล้วซุบหีบแล้วมันชาติไหนมันจะคนรู้เรื่องทำไมไม่ให้มันแต่งเป็นเสภามาขับมาทำเป็นทีวีเป็นหนังสั้นเผยแพร่ที่เรามีทีวีมหาจุฬาไว้ทำอะไรเอางานวิจัยไปแต่งเป็นละครเป็นอะไรต่างหูถ้าท่านทำครบวงจรอย่างนี้เหมือนสมัย โบราณนะเรามีสื่อทุกขแขนงทั้งทีวีทั้งเว็บทั้งอะไรต่างๆห้องประชุมมีทั้งภาพทั้งเสียงมีพิพิธภัณฑ์แต่ทำวิจัยแล้วรู้เฉพาะคนแต่งจำได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าพยาลีไทยท่านถามอย่างนี้ป่านนี้เนี่ยไม่มีใครรู้จักใจกปุ่มประลุก เพราะฉะนั้นเขาจึงบังคับว่าเวลาทวิทยพผลเสร็จต้องเผยแพร่ใช่ไหมแล้วอย่าไปเผยแพร่ในรูปแบบเดียวมาพูดกคำทำโปสเตอร์อันเดียวอเอามาพูดเอามาแสดงเอามาขยายสิให้แล้วก็อย่าเบื่อที่จะพูดบางคนบอกโอ้ยพูดซ้ำๆอยู่นั่นแหละฮะถ้าเราไม่พูดซ้ำๆแล้วใครมนจะรู้พระไตรภูมิพระร่วงพรยังวาดเป็นภาพผาผนัง เขายังเอามาเทศมหาชาติยังมาทำอะไรต่างๆมากมายอา้าวเรามาดูกันเดี๋ยวท่านจะรู้เลยว่าภาพเหล่านี้มันหมายถึงอะไรแล้วทำไมโบราณเขาจึงวาดเอาเรื่องเนื้อหาไตรภูมิก่อนไตรภูมิก็คือภูมิสามการมาภูมิมีสิบเอ็ดชั้นรู ป, ปรภูมิสิบหกและอรู ป, ปรภูมิสี่สรุปแล้วก็คือที่ยากหน่อยคือการมาภูมินี่แหละ มีอบายทุกติวิิบาทนารกเนี่ยนะรวมถึงมนุษยภูมิรวมถึงสวรรค์ชั้นหอ่ะหชั้นเนี่ยมันคือกามภูมิก็มีอยู่แค่นี้แต่ทีนี้พอเราเไปศึกษาใจภูมิเนี่ยเราก็จะไปติดอยู่นรกติดอยู่สวรรค์แต่มันแยกภูมิไม่ออกแต่จริงทั้งนรกทั้งสวรรค์มันเป็นการมาภูมิด้วยกันแล้วก็ไปพรหมโลก รูปปัจจันก็ไปอยู่ในรู ป, ปรภูมิแล้วก็อารูปปัจจันก็ไปเอารู ป, ปรภูมิกายภูมิ3ภูมิพระส่วนนิพพานก็คือไม่ใช่อายตนะพวกนี้ไงดินก็ไม่ใช่น้าก็ไม่ใช่ภูมินี้ก็ไม่ใช่ภูมิโน้นก็ไม่ใช่สุดแล้วนั่นคือเหนือภูมิทั้งสคือ น, นิพพานพุศาสนาไปโพสอีกทีหนึ่ง อันนี้คือสรุปเนื้อหาของไตรภูมิแล้วท่านก็เอาไปว่าตำราเล่มนี้พูดถึงนรกเปรต ด, ดิรรฉานมนุษย์อย่างไรแก็ไล่มาจนกระทั่งไปเทวดาแต่ละชั้นน่ะตายเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงจนถึงพรหมนู่นแหละนี่คือไตรภูมิแล้วในโลกมนุษย์เนี่ยเขาอยู่กันยังไงมีจั ก, กรวาลสันตานเป็นยังไงเขาเรียกโลกกับสันตาน มันก็เลยเกิดจั ก, กรวาลวิทยาขึ้นคนในสมัยโบราณนี่เชื่อว่าจั ก, กรวาล น, นี้โลกมนุษย์เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเขาเรียกโลกกับสันฐานก็เกิดบ d h ิส t ค o s m o โล g ีจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนาไอ้จักรยานวิทยาในพุทธศาสนาเนี่ยพูดแล้วคนไม่เข้าใจเขาก็วาดเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังขึ้นเพราะฉะนั้นที่คนเรารู้จักใจภูมิทุกวันนี้เนี่ย ไปรู้จักในเชิงจักรวาลวิทยาบุ i s สค o s m o โล g y ที่อยู่ในใรภูมิกี่หนึง่งเราจะเห็นภาพนี้นภาพนี้ก็คืออันเดียวกันกับที่แสดงเมื่อกี้นั่นแหละแต่พูดให้คนสมัยใหม่เข้าใจโดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยวาดกราฟิกขึ้นมาจักรวาลวิทยาในใจภูมิเนี่ยเขาบอกว่า จักรวาลคือโลกนี้เนี่ยบางคนก็บอกเขาบอกพุทธศาสนาสอนว่าโลกกลมจริงไหมจริงครึ่งไม่จริงครึ่งที่ว่าจริงครึ่งคือมันกลมจริงๆเห็นไหมเนี่ยจักรวาลมันกลมนะโอ้จักรวาลมันกลมแต่เวลากลมเนี่ยมันแบนอ่ะเนีกลมแล้วทํำไมมันแบนจานมันกลมไหมล่ะ จานกินข้าวกลมไหมแล้วมันแบนไหมแบนลูกฟุตบอลมันกลมไหมแล้วมันกลมแบบจานไหมอ่ะก็โลกกลมอะ่ะเพราะฉะนั้นโลกกลมนี่จะกลมแบบจานหรือกลมแบบฟุตบอลโลกในพุทธศาสนากลมแบบจานท่านมันลอยอยู่บนทะเละหลังเต่าอะ่ะลอยอยู่ แล้วไอ้ที่ลอยอยู่เนี่ยมันแบนเนี่ยนะตรงกลางเนี่ยที่สูงสุดเนี่ยท่านนึกถึงจานกินข้าวเลยนะหรือกระทงก็แล้วกันนะกระทงไอ้กระทงที่ทําด้วยตราบกล้วยเนี่ยไอ้ตรงกลางที่ปัดทูบมันจะสูงใช่ไหมไอ้นั่นแหละคือเขาพระสุเมนท่านตรงกลางเนี่ยสูงสูงเนี่ยคือเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางของโลก ศูนย์กลางจั ก, กรวาลพระสุเมรุหรือพระศีเนรุราชเนี่ยสูงขึ้นในภาพนี้ก็คือศูนย์กลางจั ก, กรวาลแล้วเขาพระสุเมรุเนี่ยสูงที่สุดมันก็จะมีรอบๆเขาพระสุเมรุเนี่ยจะมีแม่น้ําล้อมรอบเขาพระสุเมรุที่เป็นแกาต่างเรียกว่านทีศีทันดร นาทีศรีทันดรเ น, นี่ยก็คือจมไปไม่รู้จบอ่ะมันคือมันอะไรนาะมันละเอียดมากตกลงไปจมไปถึงก้นเลยนะ่ะไม่รู้จะว่ายยังไงอนะ่ะนาทีศรีทันดรและมันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็อยู่ล้อมแกนกลางเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีภูเขาเขาเรียกว่าส ต, ตะบริพันธ์เจ็ดยอดเขานี่มันเป็นเสื่อกเขาวนนะล้อม ล้อมเขากลางอีกทีหนึง่งมันกลมนะจั ก, กรวาลมันกลมนะเพราะฉะนั้นเขามันก็กลมและระหว่างเขาสัตวบริพันธ์ที่หนึ่งเนี่ยกับพระโสมยตรงกลางเนี่ยมันจะมีนาทีสีธันดรเป็นแม่น้ำทะเลสาบเนี่ยขั้นอยู่แล้วมันเจ็ดยอดที่เขาว่าเนี่ยก็คือยอดเขาลดหลังกันนะนี่ก็เขาเขากลมอย่างเนี้ยแล้วก็มีแม่น้าอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเจ็ดชั้น นึกออกเลยอยังเวลาที่ท่านจะไปยอดเขาด้ต้องผ่านเทือกเขากรมกรมนี่กี่กิกี่กำแพงเจ็ดเจ็ดครั้งแล้วท่านจะต้องว่ายข้ามแม่น้ำนาทีศรีธนนทเจ็ดรอบแล้วไปถึงยอดเขาพระโเ e นไปถึงยอดเขาแล้วท่านเจออะไรสวรรค์ชั้นดาวดึง เขูบแล้วท่านจะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยท่านจะต้องผ่านด่านเนี่ยสตตะบริพันธ์แล้วก็ไปถึงยอดแกนกลางเขาพระสดุเมนเหนือเขาพระสดุเมนคือสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาเอาแกนกลางคือเขาพัสดุเมนกับภูเขาเจ็ดยอดเป็นเนี่สัตตะบริพันธ์เนี่ยนะเป็นจุดนะด้านใต้นี่เป็นชมพูทวีอินเดียไงสมัยก่อนโลกคือ ชงภูทวีปด้านเหนือเป็นอุตรากุรุทวีปที่พระเจ้าไปบินฑบาตน่ะนะด้านนี้ด้านตะวันออกเอเป็นอารามัรัูยานทวีปนี่ด้านเน็ตด้านนี้เนะตะวันออกนี่นะด้านไหนละ่ะหันไปทางทักษิณเออนี่ทักษิณทางใต้ทางเหนือทางเหนือสิทางใต้แล้วแต่แล้วตรงนี้เนี่ยนะ พภะวิเทค่ะทวีปก็มีสี่ทวีปแล้วขอบจั ก, กรวาล น, นั้นจะมีภูเขาล้อมอีกทีหนึ่งคือเขาล้อมรอบจั ก, กรวาลเนี่ยอ้าวถ้าดูภาพ น, นี้จะเห็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาพมืโซเมนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเห็นไห แล้วจะมีเขาสตัตตะบริพันธ์ล้อมทีละรอบและระหว่างเขาแต่ละอันเนี้ยจะเป็นนาทีสีธันดอนปเลยตรงนี้แล้วเขาทั้งเจ็ดเนี้ยก็จะมีชื่อมาเลยเขายุคคุนทอนเขาอิสินทอนเขากราวิกแลวก็มีเป็นเทือกเขาวนเนะกลมเนะเป็นเขากลมล้อมกันอย่างเงี้ยเจ็ดชั้นเหมือนกาแพงแล้วมีนาทีสีธันดอน แล้วก็มีชมพูทวีปเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ยมองไปตรงนี้ก็เป็นเขาพระสุมเมนเป็นอย่างนี้สีธ น, นนท์เนี่ยจมเนอะจมไปไม่มีอะไรขั้นเลยเนี่ยแม่น้ําที่ไม่มีสิ่งลอยอยู่ได้ว่า ง, งั้นสีธนนท์นนเนี่ยเจ็ดแม่น้ําระหว่างสัตตบริพันธ์กับเขาพระสุมเมนภาพจิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถอ่านให้ฟังเนี่ย มันจะเป็นภาพฝาผนังเนี่ยแสดงจักรวาลตามแนวคิดธรรมชาซึ่งประกอบด้วยเขาพระโเมีเป็นแกนกลางมีสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ด้านบนเขาพระโสมีแสดงด้วยรูปของประสาทขนาดใหญ่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ลอยอยู่ทั้งสองข้างล้อมรอบด้วยทิวเขาวงแหวนที่เรียกว่าสตัร์เบรมันคือล้อมเขาพระโเมีสตาบริพันธ์แสดงไอเขาพระโสมีเนี่ยเป็นแท่งนะ มีวิมานอยู่ด้านบนแท่งลดหลั่นกันไปเป็นระดับชั้นสัตา์บริพันธ์จะมีวิมานอยู่ข้างบนมีเรียกชื่อเรียกจากชั้นในสุดออกไปหานอกสุดคือสัตา์บริพันธ์คือเขายุคนอรอิสินธรกรวิกสุทสัศนะเนมินทรวินัตตกะและ ก, ะอก็อสการ์จากนั้นก็คือกำแพงจักรวาลเนะอะมาดูภาพนี้ไอ้ที่ให้มาดูเมื่อกี้เย ตรงกลางเนี่ยคือเขาพัสุมเมนแล้วจริงๆเขามเมนมันจะมีไอ้เขาสัตตบริพันธ์ชั้นที่หนึ่งเนี่ยล้อมรอบเขาเลยจึะเขาว่าล้อมรอบมันจะไม่เห็นเขาเลยว่าทั้งสองด้าน<ม>ความหมายคือเขามันล้อมรอบที่จริงเนี่ยมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดลอกเราก็นับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วเขาวาดอย่างนี้เพื่อหเห็นว่ามันล้อมล้อมแบบไหนนี่แต่โบราณเขาไม่ได้วาดกลมกล o เขาเลยแล้วเอาเอ า, เอาเขาพระโตเมนไว้ตรงกลางแล้วตีแพไปด้านละเจ็ดแต่ให้หมายถึงมันล้อมและระหว่างนั้นเป็นนาทีสีธันดรนนาทีสิ้นดอนอยู่ไหนอยู่ระหว่างนี้เจ็ดนาทีเอาเป็นว่ายอดนี่คือสวรรค์ชัดด้นเอวะดึงนะเขาพระโเมนนะ ชั้นดาวดึงและนี่ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงจะตุมอะไรก็ว่าก็ไปลดหลั่นกันไปในสตตะบริพันธ์แล้วนี่คือพระอาทิตย์นี่คือพระจันทร์แล้วนี่คือทวีปทั้งสี่เห็นไหมเ <c oughs> พราะเห็นอย่างนี้นี่โอ้ซึ้งเลยนะต่อไปเน้นําชมภาากิจกรรมฝาผนังได้เลยในะมหาจุฬาเนี่ยนะเห็นไหม <c oughs> เพราะอ่านไปภูมิ อาจายภูมิพระร่วงสมัยราชการที่เก้าเขาวาดสวยกว่านั้นเขาจะวาดนี่โอ้อลังการมากนี่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่เนะจะมีปราสาทไพชยนนี่พระเจดีย์จุฬามณีนี่ช้างเอราวันอยู่บนยอดเขานี่เขาพระสุเมรนแล้วเช้าจ่าตุมนะแล้วตรงนี้เออเอเอแล้วนี่ก็คือ สัตบริพันธ์เจ็ดยอดล้อมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นอาภาพเจตรกรรมสมัยนี้เนี่ยที่มันสวยงามอลังการเนี่ยนะก็ไม่พ้นพระล่วงใจภัยภูมิพระล่วงท่านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรอกแต่ว่ามันจะสวยงามมีสีสวยงามแต่เราไปดูก็มันเป็นใจภูมิตรงไหนใจเห็นแล้วนี่ต้นต้นม้อเนี่ยสวรรค์ท่นเอากรดึงอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีทวีปทั้งสี่อะไรก็ตามสนามหลวงเขาพระสุเมนก็จำลองมาเป็นพระเมรุมานานในหลวงเราก็จะเห็นหนี่ไหมเขาที่ถวายพระเพลิงพ ร, พระบร ม, มศพตรงกลางนี่ก็คือเขาพระสุเมนแล้วก็จะมะีแล้วแต่จะตีความว่าอันนี้สตารบริพานหรือทวีปทั้งสี่ก็แล้วแต่ผู้สร้าง สรุปแล้วคนตายต้องไปไหนต้องมุกหน้าไปยังเขาพระสุมเมนเพื่ออะไรเพื่อไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีองค์นี้ไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีในเจดีย์พระจุฬามณีมีอะไรมี พระเกเสธาต์ของพระเจ้าพระศรีสระตอนออกขันทวนน่ะปลงผมครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ลงพื้นนะพระอินเอาพานทองมารองรับเอาไปเก็บไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีตรงนี้แล้วตอนที่ถวายเพลเพลิงพระธารีรศน่ะพระเที่ยวแก้วสี่อมน่ะอมหนึ่งไม่ไหม้โถนพรามณเอาไปซ่อนไว้ในมวยผมพระอินมาจิกเอาไปเนื้อ เอาไปไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีเพราะฉะนั้นคนคนตายเนี่ยใจจะต้องนึกถึงพระเจดีย์จุฬามณีแล้วคิดจะไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีแสดงว่าใจอยู่ที่ไหนสวรรค์แล้วจะไปสวรรค์ไปทางไหนคนอินเดียเขาก็มองเขาพระสุมเมนไงขึ้นเขาพระสุมเมรไปไ น, นี่แหละเขาเขียว่าพานอะนะมุ่งจิตไปตรงนั้นเราะ วิญญาณหกมุ่งไปที่เขาพระสุเมนเหนือเขาพระสุเมนคือดาวดึงไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีถ้าสามารถไปไหว้ได้แสดงว่าเป็นไงขึ้นสวรรค์แล้วสเสด็จสู่สวรรค์คารัยอะขึ้นเมรุถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าเมรุมาเมรุทอง ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยล่ะก็เมนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทองเออเมนเพราะฉะนั้นทุกวันก็มีเมนไงเขาพระสุเมนอะ่ะเพื่อไม่ใช่จริงไม่ได้ไปจบอยู่ที่เมนนะเพื่อให้เกินยอดเขาพระสุเมนไปไหว้พระเจดีย์จุรามณีโดยมัตราสัง่งใช่ไหมเอาดอกบัวใส่ไว้ในมือ เฮียวเฮียวอ่ะขึ้นไปไหวแล้วทำไมจะต้องเอาดอกบัวมัดราสังไปไหวเพราะมีวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งต่อเนื่องกันนะเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มจะเห็นว่าโบราณเนี่ยเขาไม่ได้แต่งแล้วจบนะเขาจะมีออกมาเป็นซีรีส์ พอใจภูมิพระล่วงออกมาแล้วนะสวรรค์อยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงพระมาลัยคํำหลวงเอามาอธิบายแล้วมาบอกว่าจะต้องขึ้นเขาพระสุเมนยังไงโดยพระมาลัยคํำหลวงคําว่าคํำหลวงเป็นวรรณกรรมที่เป็นพระราชนิพ์เพราะฉะนั้นพระใจภูมิพระล่วงในความหมายหนึ่งก็เป็นคํำหลวงได้เป็นพระราชนิพนธ์แต่มี ร้อยกรองร้อยแก้วผสมกันกาบกรองโครงฉันเช่นมหาชาติคำหลวงพระมาลัยคำหลวงพระมาลัยคำหลวงเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมที่มีกาบกรองโครงฉันแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมีเขามาจากมาลายาสูตรสูตรนอกพระใจปิดกว่ากันว่าเป็นพิสูจน์ชาวลังกาเป็นผู้แต่ง บางท่านก็บอกว่าแต่งในพม่าแต่เนื้อหามันเกี่ยวกับลังกามหมดนะแล้วภิกษุเชียงใหม่ชื่อท่านพุทธวิราชนํามาแต่งเป็นดีการพระมาไลเป็นภาษาบาลีหมดพอมาขยายเป็นวรรณกรรมเนี่ยมาลัยคําหลวงเนอเอามาส่วนมีเสียงด้วยนะส่วนงานแต่งก่อนตะแรกแต่งแล้วเป็นยังไงไม่รู้ตอนหลังไม่นิยมส่วนงานตายเพราะว่าในนั้นมันจะมีไหว้พระมาไละนะ ไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีปรากฏว่างานแต่งเนี่ยสวดแล้วมันไม่อินไม่เก็ตเอางานตายก็แล้วกันเลยมีไล่พระมาลายอะไรพระมาลากันขายายเป็อบริเวณเพื่อไปพระเจดีย์จุฬามณีนี่แหละดูที่เรื่องมันต่อกันนะเขาไม่ได้แต่งแล้วจบแต่คนระยุกนะไตรภูมิพระลวงแต่งในพศอหอนึ่งพันแปดร้อยเศษส่วนมาลายคําหลวงนี่ แตงพอส .2,280 สมัยพันรายอ่ะ300กว่าปีเกือบ300ปีฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเรื่องพรมมาลัยซึ่งเป็นภาษาบาลีนี่ยังไม่ซึ้งเขาก็ออกมาขยายเป็นคำหลวงมาเป็นคำสวดมีมีวรรณกรรมเป็นตัวหนังสือยังไม่พอมีภาพพรมมาลัยท่องนรก ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูบทกลางน้ำมหาจุฬานั่นน่ะยังมีเลยนะเห็นไหมอิทธิพลพระมราลัยนะพระมลัยท่องนรกพรนลัยรพันลัยขึ้นสวรรค์ทั้งนรกทั้งสวรรค์ อ, อย่างภาพนี้เนี่ยพระมลัยคำหลวงคือพระมราลัยท่านได้ดอกบัวแปดแปดดอกแล้วท่านจะไปไหว้ที่ไหนดีไไหว้ ต้นศรีมหาโพธิ์เรืออะไรนึกอีกอย่างยั ง, ยงไม่ได้ไปไหวเลยก็คือพระเจดีย์จุรามณีท่านก็เข้าชานถอดจิตขึ้นไปแล้วไปไหวพระเจดีย์บระเออจุรามณีบนสวรรค์เน่พอไปไหวก็เจอเทวดาที่มาไหวหลายตดหลายองค์แล้วมาเจอองค์หนึ่งคือองค์นี้นี่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตพระอินมาต้อนรับก่อน เนี่ยพระอินทตัวต้องเป็นสีอย่างนี้นะสีเขียวๆพระมาลัยก็ถามพระอินท์ว่าเนี่ยองที่มานี่มีบริวารเป็นโกธเนี่ยคือใครพระอินท์ก็บอกนี่คือพระศรีอานที่จะลงมาโปรดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็เลยพระมาลัยก็เลยได้ขอโอกาสสนทนากับพระศรีอานเ้าเรียกว่าอินเทอร์วิวสัมภาษณ์เสียอย่างเดียวไม่ได้บันทึกเสียง ท่านก็แต่งเป็นวรรณกรรมเป็นมาลายยสูตรแล้วก็เอามาสวดเป็นเสียงแล้วก็ามาเขียนเป็นภาพดูสิมันจะไม่มี impact ได้ยังไงจากวรรณกรรมเนี่ยในการเผยแผ่ในมีทั้งวัจนะภาษาอาวัจนะภาษาในเรื่องนี้เนี่ยพระมาลัยสัมภาษณ์ว่าถ้าจะพบาศาสนาโยมนี่จะทำยังไงพระศรีอานก็ในมาลายคำหลวงก็บอกว่า พระอริยะเมตตรเนี่ยบอกกับพระพระมาลัยบอกว่าพระศีอานบอกวมา่อไราว่าขอพระองค์จงนำสารข้าบรรหารกล่าวแถลงเธอจงแจ้งแก่เวไนแม้นผู้ใดจกให้พบจงเคารพตามโอว่าให้ท ร, ร ม, มหาชาติเมือง น, นั้นมหาชาติคือเทศเวสันดรไง เครื่องสิ่งละพันจงบูชาให้จบในที่วาวันนั้นเทศคาถาพันมหาเวสสันดรให้จบในวันนั้นและบูชาด้วยเครื่องละพันตั้งประทีปพันบูชาดอกประตูมาท้วนพันบัวเพื่อนพันอินทนนลาดอกบนทาโดยจงเทียนและธงชัตราเครื่องบูชาทั้งนี้จงท่วนทีสิ่งละพัน เทพมหาชาติมหาโยราเนี่ยต้องสิ่งละพันนะวันนี้ยังมาดูอ๋อนี่มหามหาชาติหรือเปล่าโอไม่ใช่เพราะกันเทศมันน้อยไม่มีพันเนาะแต่เพราะอยนั้นสิ่งลอันเนี่ยนะสิ่งจงทุ่นทีสิ่งละพันคนทลิตนั้นตามสมทลิตแปลว่าคนจนคนจนก็ไม่ต้องพันก็ได้แบงค์ยี่สิบก็ได้นี่อย่างนี้ทลิตทลิตตามสมเออ โดยนิยมจะบูชาแล้วแต่จะบูชายี่สิบก็ได้พระคาถาท่วนพันคาถาพันไงให้สดับทันเคารพจวบจนจบอุทาหอนพระเวสสันดร น, นรุบานปัดชิมมการสมโพธสมภารโสดอันอุดมเป็นที่สุดสมในชาตินั้น บูชาพระทันจงครบจึงจะได้ประสบองค์า่าองค์่าคือพระศรีอ่านเห็นไหมคนไทยทั้งประเทศก็จัดเทศมหาเวสันดรคาถาพันมหาจุฬาก็เลยได้อ า, อานิสงส์เนะพครพระปานี่นะถ้าเทศคาถาพันเท่เวสันดรมาจนบัดนี้เลยแล้วนี่คืออะไรทั้งหนังสือทั้งภาพทั้งเสียง ครบเครื่องหมดเลยโบราณเนี่ยเผยแพ่เน่เขาไม่หยุดอยู่ที่แค่ตัวหนังสือถ้าเราจะเมยแผร่ในสมัยนี้เข้าไปในออนไลน์ในเว็บในทีวีในต่างๆต้องครบหมดเลยทำวิจัยแล้วอย่างทำวิจัยเ ร, รื่องใจผมพระลูกอย่างเดียวเก็บไว้ในคัมภีร์เนี่ยไม่พอต้องเอามาทำหลายรูปแบบน อ, อ้าวพอพอมาอะไรคำหลวงยังไม่พอนะ มหาชาติคำหลวงก็ออกมาด้วยเทศมหาชาติสิงละพันเนี่ยนะทำยังไงจะทำเป็นภาษาไทยภาษาบ 1, าลีหนึ่งพันคาถาแต่งเป็นมหาชาติคำหลวงอีกให้คนเทศกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นมหาชาติคำหลวงคือมหาเวสสันดรชาดกที่ว่าเนี่ยแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกกนธานพศสองพันยสิบห้าก่อนมาลายคำหลวงแต่มาลัยคำหลวงมีแล้วกันนั้นเป็นมาลา ย, ยาสูตร มาลายดีกามีแล้วแต่ยังเป็นภาษาบาลีท่านก็ให้ถอดมาเป็นภาษาไทยเป็นมาลายคำหลวงเป็นมาลายชาวบ้านนะนะแต่เวสันดรก็ให้เทศเป็นเอ่อมาลายมาหาชาติคำหลวงตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกกนนะ่านแต่ละกันก็จะเป็ น, นร่ายเป็นฉันเป็นโครงแต่งมีทานองแต่ละกันสนะิบสามกัน เดี๋ยวนี้นะในวันเข้าพรรษาเนี่ยเวลาเข้าไปรับเทียนพรรษานะก่อนพระจก่อนในหลวงจ ะ, สะเสด็จเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กรมศาสนาแต่งชุดขาวๆเนี่ยราชประเตนอะไรเนี่ยนะข้าราชการเนี่ยนะสวดกันอยู่ไอไท้ท้ายทยอาสง่ะสวดอะไรรู้ไหมสวดมหาชาติคำหลวงท่านสวดกันเคยไปถามมาสวดอะไรเขาก็ชี้ให้ดูนี่ไงมหาเวสสันดร เป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกกนา่านพระบรมไตรโลกกนานเนี่ยท่านให้แต่งมหาชาติคำหลวงเนี่ยไม่ใช่ให้พระแรนะไม่ใช่ให้พระเทศนะให้ราชบัณฑิตคารวะเนี่ยแลอ่านถวายพระเจ้าแผ่นดินตามทํารองแต่ละกันเดี๋ยวนี้ก็รักษาเอาไว้ในโบสถ์รถกระแก้วหรืออยู่กันเดียวแหละ แล้วประเทศ อ, อสวดเป๊ะเดียวพอในหลวงเสด็จจบมีแค่นั้นทีนี้การเทศเนี่ยเขาจะจบลงมหาเวสสันดรเนี่ยตอนหลังพระก็เอาอยากก็เลยมาทําคิดทํานองขึ้นมาอะไรขึ้นมามาเทศเองแทนราชบัณฑิตเวลาจบแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยเขาจบด้วยคําว่านั้นแลนั้นแลเลยเรียกว่าเทศแล เอ้ไอเทศจบด้วยคำว่านั้นแลเนี่ยคือเทศแลส่วนไอเทศเอวังนี่คือเทศธรรมวัตรเพราะฉะนั้นเทศทุกวันนี้เนี่ยจึงมีสองแบบแบบแรกเป็นบรรยายธรรมดาเรียกว่าธรรมวัตรอีกแบบหนึ่งคือมีทานองคือเทศเวสันดรเทศแลไอดูยกตัวอย่างให้เนี่ยภาพนี้จิตกรรมใช่ไหมชูชกตีสองกมารเนี่ย ถ้าท่านไปดูเวทเมหาเวทสั น, นชาดกฉบับมหา5 ช, ชาติคำหลวงนภาษาโบราณลองอ่านดูไหมล่ะวาลิชัิเสวะเมสโตพุทธาอะไรต่างนี่นะเมเนี่ยอ่านให้ฟังสักสองสามแถวนะนี่คือมหาชาติคำหลวงในเมื่อกูเอาบาลีมาแปลเลยนะสะโตอันเป็นดานูสั ต, ตยสัตบุรุษ เผ่าพุทธเจ้าทั้งหลายมาวาริชัดเสวะอันประดุดตัวปลาเป็นดักพุทธสม ช, ชาตะเกนะและประมงชักมาร้อยเหือกกูมินามุเขนในปากเปือกปากใสปัสตโตปิยปุเตบอกใจอยู่มาลักเลงลูกลูกรักพ่อทั้งสองโอโหนี่ภาษาโบราณนะเป็นภาษามหาชาติคำหลวง อ่านยากแต่ว่าถ้าท่านอ่านเฉพาะภาษาไทยนะมันจะเพลาะมากเลยในเมื่อกูอันเป็นดนูสัตว์บุรุษเผ่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาอันประดุดตัวปลาเป็นดักและประมงชักมาร้อยเหือกในปากเฟือกปากใสบอกใจอยู่มาลักเลงลูกรักพ่อทั้งสอง สัมผัสกันตลอดเลยท่านแต่คนสมัยนี้ไปติดภาษาบาลีไงไม่อ่ะแต่จริงๆเนี่ยเขาแต่งคล้องจองเป็นสำนวนสัมผัสให้เทศทำนองสนอคือเทศแหลได้เพราะเอาบาลีออกเนี่ยนะมันเป็นเทศแหลได้เลยเพราะมันสัมผัสกันสัมผัสกันยังไง ในสมัยราชการที่หนึ่งมาแต่งใหม่เจ้าพยาพระคลัคงโหเนี่ยนะมาแต่งเป็นสำนวนนี้ท่านดูนะวาริชเสวะเมสโตเหมือนกันนะที่เดียวกนันนี่มหาชาติคำหลวงสมัย220ม า, า220มาถึง2320 2300เศษเนี่ยนะแต่งสำนวนนี้เจ้าพยาพระคลังเนี่ย วาลิชัดเสวเมสโตเรื่องเดียวกันนะแต่ใช้ภาษาคนยุบเสมือนหนึ่งพลานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานยาวขึ้นนะแต่สัมผัสไหมท่านดูนะอ่านให้สัมผัสนะเสมือนหนึ่งพลานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉาน ตัวเราผู้ทําทานเหมือนตัวปลาพระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือใสปลาธนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกรักทั้งสองสีดั่งกระแสสินอันนี้อให้ยาวต่อไปนะพรามณ์ประมาทบมินมดาตีสเสมือนเหมือนกระทุ่งวารีให้ปลาตื่นน้ำพระเธอเท้าเทินถอยคืนจากเบิกสา บังเกิดอวิชชามาห่อพุ่มว่าไปเรื่อยแล้วก็เท้าเธอจึงตั้งพระสมาธิระงับดับพระวิโยกดั้นพระโศพสงบแล้วพระพักก็ผ่องแผ้วแจ่มใสดั่งท้องอุไรทั้งแท่งอันบุคคลจะแก้งหล่อแล้วมาวางไว้ในพระอาสมตั้งแต่ใจเชยชมพระปิยบุตรทานบารมีแห่งโนพระชินสีเจ้านั้นแ <dominate. S 1> ลเทแล่น จบแต่ละจอนตอนมันจะมีคำว่านั้นเลยโยมก็บอกเออไปฟังเทศเลกันผลคืออะไรทีนี้โยงให้เห็นแล้วนะตั้งแต่ใรภูมิพล่วงซึ่งเป็นงานวิจัยแต่ทาเป็นภาษาไทยเอามาขยายเป็นจิตกรรมภาพฝาผนังเป็นปฏิมากรรม แล้วเพื่อให้เข้าถึงวิถีชีวิตก็ยืนยันด้วยเรื่องพระมาลัยว่าจะไปไตรภูมิโดยเฉพาะพระเจดีย์จุฬามณีเหนือเหนือเขาพระสุเมนผ่านสัตบันสัตัตบริพันธ์เนี่ยจะต้องข้ามนาทีสีธันดรไปโดยทำแบบเดียวกับพระมาลัย มุ่งหน้าไปที่เขาพระสุเมนนำจิตไปมุ่งไปที่พระเจดีย์จุฬามณีแล้วในโอกาสนีนั้นเองพระมาลัยได้สัมภาษณ์พระศรีอานว่าถ้าไม่ขึ้นสวรรค์ไปนิพพานในชาตินี้อยากจะพบศาสนาพระศรีอานทำอย่างไรพระโพธิสัตว์พระศระีอานก็บอกว่าฟังเทศ พระเวสสันดรมหาชาติคาถาพันให้จบภายในวันเดียวบูชาด้วยสิ่งละพันจากมหะมาลัยคำหลวงก็เป็นมหาชาติคำหลวงและเราก็เห็นภาพจิตกรรมพระมาลัยปฏติมากรรมโบสถ์อะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งโบสถ์มหาจุฬาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเหล่านี้อยู่มันเป็นวิถีชีวิตเป็นแนวคิด ซึ่งเราจะต้องศึกษาแล้วเอามาสอนด้วยภาษาสมัยใหม่จะเห็นได้ว่าจากที่ว่ามาเนี่ยทำให้โบราณเขาเผยแผ่ในรูปวั จ, จะนะภาษาด้วยภาษาเขียนแล้วออกมาเป็นภาษาพูดคือแหลทํานองสนอเป็นนั้นแลแล้วก็เป็นเทศธรรมวัตรคือลักษณะเทศทํานองธรรมดาที่แสดงอยู่ทั่วไปไม่ใช่ทํานองเทศแบบมหาชาติ นี่คือคำนิยามในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานแสดงว่าเอาแบบเทศมหาชาติไว้ก่อนทำนองเสนอไว้แล้วต่อมามาบรรยายธรรมดาก็เลยกลายเป็นเทศธรรมวัตอย่างทุกวันนี้จากเทศธรรมวัตเราก็มาเป็นธรรมกถามาเป็นธาปธากันถาธรรมมาเป็นบรรยายธรรมอย่างวันนี้มันคลี่คลายมาโดยลาดับโดย เริ่มจากมหาช า, า, ชาติคำหลวงพรอมอะมารย์คำหลวงแต่งโดยคำประพันธ์ที่ง่ายที่สุดก็คือไรย่รยร่เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าวาริชเสวะเนี่ยคือร่เป็นเทศทำนองร่ไร่ ย, ยาวก็คือคำประโยคมันจะยาวไร่สั้นมันก็จะสั้นแต่มันสัมผัส เหมือนกับที่สีปราดสีปราดเป็นปฏิพานกวีในยุค พ, พ, พ, พนรายยุคพนรายยุคเดียวกับเจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศที่แต่งพระมาลัยคำหลวงสีปราดเนี่ยตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ตามเสด็จพนรายไปประพาสในป่าพนรายก็บรรทมไอลิง์มันก็อยู่บนยอดไม้มันก็ถ่ายอุจจระลงมา ใส่หัวพญาเดโชชัยแกหัวล้านลิงมันถ่ายอุจลระลงบนหัวพอดีเลยไอ้ไอ้ไ อ, อ, อ้คนเห็นเขาจะไมผู้ข้ารายบริรเห็นเขาก็ขำสิมันถ่ายใส่หัวใครไม่ถ่ายมันเลือกไอ้คนไม่มีผมอะหัวเลาะกันคิกคักพญาเดโชชัยโกรธแล้วก็เป็นคนมีอำนาจดิมองไปทางไหนตาขึงเนะก็ท่านหัวเลาะกันดิ แต่ก็อดคิกคักไม่ได้พนักงานก็เลยตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคิกคักคก็เลยถามว่าวราะอะไรกันพยยาเดี๋ยวชายก็ตาขึงสายไอ้พวกนั้นดิมันจะก้าทูนที่ไหนล่ะก็กลัวสีปราดเห็นไม่มีใคก้กาทูนก็เลยทูนเองโดยใช้ปฏิผ่านทูนเป็นไร้สั้นนะเป็นไร้สั้นๆว่า ขอเดชะพยักขะวานรทายอุจระรศีษะพญาเดโชชัยโอ้สัมผัสห่เลยเนี่ยคนก็หัวเราะืลินใช่ไหพญาเดโชชัยก็ไม่ไม่โกรธเพราะมันพูดคล้องจองไม่หมดเลยนี่อันนี้ก็เป็นปฏิพันธ์ของสีปราดเป็นร้สั้นแต่เวลาเทศเนี่ยร้า ย, ยาวเนี่ย ใช้แต่งบทเทศบทสวดบทกล่อมลูกเพราะฉะนั้นไร้มันจะสัมผัสกันอย่างนี้ส่งต่อต่อต่อกันไม่มีบังคับจะกี่คําก็ได้อเวลาเทศปัจจุบันเนี่ยเราจะขึ้นเป็นไร้สัมผัสกันหมดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพูดธรรมดาคนไม่เคยฝึกเทศเนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็นไร้เขาก็เลยเทศไม่เป็นเช่นสมมตุติพอถือใบลานโยม ล้อมเข้ามาอาตมาจะเทศให้ฟังโอ้ไม่ใช่เทศอย่างนี้ถือใบลานก็ไม่ติดกันเทศโอ้เทศจะต้องตั้งนโมแล้วก็เดินอัตตาหิตโนนาโทติณับดีลองดูที่เป็นไรไหมอาตมาภาพจักรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในอัตนาถกถาสัมผัสไหมละ่ะในพระธรรมเทศนา ในอัตนาถกถาว่าด้วยการพึ่งตนเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายกันมาบำเพ็ญบุญรร ม, มัตสวรรค์ม่คือบุญที่ได้จากการฟังพระธรร ม, มเทศนา เพื่อน้อมนำมาปฏิบัติเป็นเครื่องนำทางในการพัฒนาชีวิตและสังคมต่อไปพูดคล้องจองกันเลยนะท่านนี่เรียกว่าเทศแต่ถ้าไม่คล้องจองเขาเรียกปาทกถาเรียกบรรยายเรียกเลคเชอร์นี่อย่างวันนี้มาเลคเชอร์นะแต่ถ้าจะให้คล้องจองสัมผัสกัน เขาเรียกเทศเพราะฉะนั้นพอภรรยาเริ่มร่อ ย, ยาวเมื่อไหร่สามีบอกภรรยากําลังเทศประนมมือแล้ว <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นไอ้ร่อ ย, ยาวมันก็เลยไปไปใช้ในความหมายว่าเทศนะนะวันนี้ครูเทศนักเรียนซะอ่วมเลยเพราะไอ้ร่อ ย, ยาวนี่แหละใช่ไหมแต่ร่อ ย, ยาวจริงๆริงเนี่ยมันสัมผัสมันคล้องจองนี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอขึ้นคล้องจองอย่างนี้เขาเรียกเทศ น่อ่าหน้าพระที่นั่งบัตรหลวงพ่อปัญญาเนนทะทางวังเขานี่โบนไปเทศถวายในหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสงานงานสมเด็จญางานศบสมเด็จญาท่านก็ไม่เคยเทศเขาวังใช่ไหมไม่รู้จะเทศยังไงท้าลวให้ฟันนะก็เลยนั่งรถมาที่วัดมหาธาตุ่ะมหา สายธรรมคือพระสุมเมธาธิบดีตอนนั้นเป็นเจ้าคณะกรทมไปถามว่า<ม>เทศในวังจะเทพยังไงไม่เคยเทศพระสุมเมธาก็บอกว่าเออมันมีแบบนะแบบยังไงล่ะคือถ้าเทศธรรมดาเนี่ยตั้งน้ำโมเทศได้เลยแต่ถ้าเทศในวังนี่โบราณเขาถือว่า เทศสอนพระเจ้าบผ่นดินโดยเฉพาะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็ดได้หลวงไปพูดผิดหูขึ้นไปวิจารไปสอนท่านท่านโกรกขึ้นมาเดี๋ยวท่านถอนยศเอานะตางธรรมาทนะ <c oughs> จากรองสมเด็จเหลือพระมหาอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ไปเทศวิจาร์ท่านนะ่ะเพราะฉะนั้นก่อนเทศเนี่ยให้ขอพระราชทานอภัยก่อนผิดพลาดพังไปอย่าถอดกันนะเอออย่ามาว่ากันนะ เออต้องขออาภัยก่อนเขาทํากันอย่างนี้แล้วทํำยังไงล่ะอ่ะขอให้ว่ายอย่างนี้นะก่อนตั้งนโมนะให้ถือคัมภีร์ก่อนขึ้นทํามาทเนี่ยพอเขาอาราธนาเนี่ย อ, อพรมมาจะโลกาเสร็จก็ถือคัมภีร์แล้วก็ อ, อขอพระราชทานอาภัยก่อนว่าขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนนามสุขทุกประการให้สังเกตนะว่าว่าเป็นไร่นะสัมผัสกันนะขอถวายพระพรเจริญพระราชาเสิ็สวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมมพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นไหสัมผัสกันนะบัตรนี้ จักรับพระราชท า, านถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปันดิตักกาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานไปมิได้ต้องตามโมหระรักอัธิบายในพระธรรมเทศนานะบทใดบทหนึ่งก็ดีข้อเดชพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณ พระคันติคุณส่งพระกรุณาปโปรดพระราชทานอาภัยแก่อาตามะผู้มีสติปัญญาน้อยพอพูดแค่นี้หลวงพ่อปัญญาลองอมีปัญญาน้อยแลย้วจะเทศยังไงล่ะปัญญาดันทะรับไม่ได้หลวง พ, พ่อโซเบทาก็บอกเ อ, อ้ต้องพูดว่าไปมันเป็นแบบเนอจะบอกปัญญามากไม่ได้เอออย่างนี้นะเนี่ย ถวายพระพรเจริญพระราชศิรวัติเนี่ยเนี่ยผู้มีสติปัญญาน้อยเห็นไหมต้องว่าเป็นไรมันเป็นแบบมาแต่โบราณเราจะเห็นอิทธิพลตั้งแต่ใส่ผมิพระล่วงพระมาลัยคำหลวงมหาชาติคำหลวงเทศแลจนถึงธรรมวัตรทุกวันนี้เขาจะบอกว่าพระสมัยนี้เทศไม่เป็นเนี่ยเพราะไม่รู้จักรราําวไรอยู่ๆก็ตอนนี้จะเทศะไรนะโยม ตั้งใจฟังมันเทศที่ไหนกันมันไม่มันไม่มีแบบไม่มีแผนเน่พูดเป็นเลคเชอร์เนอะปาตกถาอะไรดีไม่ดีคำพีวางเลย อ, อย่างนี้ <c oughs> มีคำพี ก, ก็ยกไปยกมาอู้มันไม่ใช่เทศเทศมันจะต้องมีความไพเราะอลังการตามวรรณกรรมโบราณที่ท่านสร้างท่านแต่งมาอ่ะ วัดประยูนเนี่ยรักษาแบบนี้เขาเรียกสาริกาป้อนเหยื่อจะเทศคล้องจองกันอย่างที่หลวงพ่อพระราชเวทีพรเนี่ยนะเออเป็นนักเทศรถประยูนสมัยสมเด็จวัชนะเนี่ยมหาธีราจา์ท่านฟังพระราชเวทีพรนี่มีบันทึกไว้ในประวัติมหาจุฬาว่าตอนประชุมพระเถระห7าสิรูปพระพิโลธรรมช้อยประกาศตั้งมหาจุฬา แล้วก็ไม่ได้มีกําหนดการอะไรประกาศอ่านประกาศเสร็จในโบสถ์รถตำหนักสมเด็จเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยัำยงไงพอประกาศเสร็จจบเฉยพระราชเวทีพรชัยันโตขึ้นมาเลยเลยชยันโตเป็นต้นเสียงขึ้นทนั้งที่เป็นแค่ชั้นราษนะนะเพราะเห็นนั่งกันเฉยเฉยนี่เลยชยันโตเป็นต้นเสียงวัดประยูนเลยได้ชื่อ น, นะตั้งมหาจุฬาแต่วัดประยุนชยันโต อ, อพระราชเวทีพรเนี่ย ไปดูในประวัติแล้วเวลาเทศเนี่ยคล้องจองมากสมเด็จวัชนะท่านบอกว่าจำติดหูเลยเวลาพระราชเวทีพรพูดคือพูดปากล่าวนี่นะแต่สัมผัสกันทั้งกันเลยไรยของท่านเนี่ยไม่ใช่สัมผัสแบบกรอนแบบโครมฉันนะมันเป็นแบบไรยคำท้ายอย่าสัมผัสกับคำใดคำหนึ่งเหมือนกับมหาชาตินี่เช่นประโยคนี้ที่ท่านว่าให้ฟัง แคว้นกาสีและโกศนทั้งสองตำบล น, นี้เป็นทองปัทภีแผ่นเดียวกันนี่วชนะเล่าให้ฟังว่าพระราชเว ท, ทีพรเนี่ยพูดสัมผัสกันแคว้นกาสีและโกศนกับตำบลสัมผัสกันเป็นทองปัทภีแผ่นเดียวกันเนี่ยนี้กับปัทภีมันออกมาโดยอัตโนมัติเลยเขาเรียกไรท์เทิด ที่ชั้นครูเนี่ยหลวงพ่อพุทธวานอายนวัดประยูนเวลาเทศสอนพระบทใหม่หน้าที่วัดพระบทใหม่มีหนึ่งสวดมนต์ภาวนาสองศึกษาเล่าเรียนสามภาคเพียรปฏิบัติสี่ฝึกหัดเทศนาพระนวากาวัดประยูนต้องทำสี่เรื่องจาง่ายท่านสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติฝึกหัดเทศนา หลวมตาแผลเยื่อไม้เทศแลเวลางานศพท่านแต่งว่าไงโลกนี้คือโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างร่รายรำทาทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะทอน ม, มีรักมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาเห็นไ้ยจำง่ายท่านอิทธิพลจากโ่นใจภูมิโนนมหาชาติพระมลัยไล่มาจนนั้นแลนประเทศแหล่มาจนถึงธรรมวัตเพราะฉะนั้นไปอ่านบทเทศนาชั้นครูที่เทศในวังเขาเรียกว่ามงคลวิเศษสกถาที่ ท่านสังฆราชในอดีตเทถวาววันเฉลิมประชาพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ราัชากาลที่สี่ที่ห้ามาเนี่ยจะสัมผัสพร้อมจองเวลาเราอ่านเราถึงว่ายากไงเพราะท่านพยายามลากสัมผัสเขาเลื่อยคำก็ยากอะไรก็ยากเวลาแต่งประโยคเก้าแต่ที่จริงคือร่ายมันถึงเนี่คนธรรมดาสมัยนี้อ่านภาษาเทศนายงถึงยากพระใตพปิดกก็เหมือนกันนะเวลาแปลสมัยรัชากาลที่เจ็ดลงไปเนี่ย บางทีมันเป็นสำนวนเทศนะสัมผัสคล้องจองเขาเรียกสำนวนเทศนาฉบับอะไรนะสอธมพักดีเดี๋ยวนี้หายไปแล้วไม่มีใครอ่านแล้วสธมพัฒดีพระไตไปดกปลยกศัพท์ะนั่นแหละสำนวนเทศนาจนมาถึงของราชการที่เจอีกเป็นสำนวนวิชาการ ส, ส, ำสำนวนแปลให้อ่านได้พอมหาจุลานี่เป็นสำนวนร่วมสมัย เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะพิมพ์ไม่ทันเนี่ยเพราะว่าแล้วแต่ยุคแต่สมัยพระไตรปิฎกเรายังปรับเลยเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมวรรณกรรมมหาจรรยาในพระไตรปิฎกนี่เป็นตัวบอกท่นแล้วก็มาถึงที่ว่ามาเนี่ยสำนวนเทศสำนวนเทศนานี่มันก็ขยายมาเรื่อยอมาดูออของหลวงตาของพระพรหมบดิตนะ การเผยแพ่นโยบายการเผยแพ่ห้าข้อการเผยแพ่เนี่ยมีอยู่ห้าข้อหนึ่งตกปลานอกบ้านสองจำได้ดบ้งเปล่าเนี่ยพูดจำคอเห็บคอเงเนี่ยหนึ่งตกปลานอกบ้านนะประาศรนสิบทิศอะไรอีกผูกมิดทั่วราบริหารปัญญาสาริกาป้อนเยือ่อ เป็นว่าไรสั้นๆท่านเห็นไหมเนี่ยอิทธิพลที่ไล่ที่ว่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยของพระปออปยุโตปออปยุโตเนี่ยท่านก็ใช้แปลจากภาษาบาลีใครจำได้บ้างคุณธรรมของกรลายนมิตเจ็ดประการสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ปออปยุโตท่านแปลว่ายังไงเจดข้อนี่ใครจะจำได้หมด แต่ท่านแปลแล้วให้เราจําได้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งปิโยครุพาวนิโยใช่ไหมปิโยครุพาวนิโยอะไรต่างเนี่ยจายากท่านแปลว่าน่ารักน่าเคารพปิโยคือน่ารักครุน่าเคารพภาวนิโยอบรมตนเห็นมเหมือนต่อกันไหม น่ารักน่าเคารพอบ ร, รมตนวัตตาวจะนะคมโมเนี่ยน่ารักน่าเคารพอบรมตนพูดให้ได้ผลวัตตาพูดให้ได้ผลทนต่อถ้อยคําวจนะคมโมคำพีขขขลัณจกระถางกัตตาแถลงเรื่องลึกล้าได้โนจัตฐานีนิโยชเยไม่แนะนําในทางที่ผิดถ้าบาลีมาคั่นเนี่ยนะ มันไม่สัมผัสมันไม่เป็นายเหมือนกับอ่าน <laughs> ที่ที่ว่างมาเนี่ยแต่พอเอาบาลีออกเนี่ยมันจะสัมผัสกันหมดเลยนะน่ารักน่าเคารพอบร ม, มตนพูดให้ได้ผลทนต่อถ้อยคำแถลงลึกแลถลงแถลงเือกเรือกําได้ไม่แนะนาในทางที่ผิดเจ็ดแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์ภาษาไทยต่อไปช่วยคิดทำสอนให้มันง่ายๆ ในในคณะนี้ด้วยในที่อื่นด้วยเรียนมหาจุฬาแล้วโอ้ง่ายนิดเดียวอยากมากต้องต้องหาอะไรที่มันมีสื่ออย่างนี้อ้าวสุดท้ายเวลาจบเลยนะก็ยังสัมผัสเวลาเราเทศเลยนะเริ่มต้นมีไยต้นกลางก็ว่าไปตามปกตินะปัจจุบันธรรมวัตแต่ตอนท้ายต้องต้องสัมผัสอีกแหละเทศนาปรโยสานี ในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ถูทางงานศพนะพระสงฆ์จตุรวัคจะได้สวดคาถาธรรมพิยายทํานองส ร, รสารพันยักเพื่อเพิ่มพูณั ป, ปมาธาธรรมสำมมาปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายสืบไปณนะการบัดนี้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาป ร, ริหารกถาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติจตุรงค์พงศเอวันก็มีรับประการชนิดอ่ะ รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชาสาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศีรัตนไตรัยและทารานิสงแห่งการบูชาอันยิ่งใหญ่นี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอภิบาลประธานพรให้สําเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาอันนี้งานหลวงนะทรงพระเจริญพระราชาสิริสวัสดิพัพฒนมงคลพระช น, นมสุขทุก ป, ประการ อุปสรรคอุปัตถมนรายทั้งหลายอย่าเพ่วพานพระบรมวงศานุวงศ์มุขอมบาดมนตรีขราชบริพารชาวประชาราฎรตลอดจจริญทิติการเห็นภาษาไพเราะเชื่อมโยงอลังการลักพระราชท า, านถวายวิสัชนาประธรรมเทศนาอันนี้เทศทิวประยุทธ์นันที่เสด็จตอนนั้นในโอวาท ป, ปาติโมขกขกทา ฉลองพระเดชพระกุลประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้จบแล้วจบจริง หมดเวลาแล้วฮะ ว, ว่าอะไรนะพีกราร า, าน้อาไม่ช่วยเหรอรขอคุณพระเคุณเยสูงมีให้แปลเหรอเรื่มการเยแร่รทงทให้จะมีจะมีใครแปลเป็นภาษาอังก ฤ, ษ, งฤ ษ, งษไหมจะช่วยไหมสรุปว่า ไม่มันเหนื่อยนก็จะช่วยสรุปให้เ <Yeah. S 2> อาโอเค I will summarize in English what I have uh, talked in Thai the point that I have made in my talk